ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายระการธรรมะจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมเรียกว่าเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนเอสัมมาทิฏฐิสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยส ม, มาทิฏฐ ที่พระสารีบุตรเทราได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อล่าวโดยสรุปก็คือสารแสดงหลักของปฏิจจสมปัตย์เราก็เริ่มมาจากตอนปลายก็เริ่มมาจากภูชารามรณะแล้วก็ถอยลังขึ้นมาเป็นชาติเป็นภพ เป็นอุปาทานเป็นตนาเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นอายตนาเป็นนามรูปเป็นวิญญาณว่าเป็นสังขารแล้วก็ไปถึงวิชาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยกประเด็นของอาสวะคือกิเลสที่เป็นเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจ ก็ได้ก่การมาสวะอสวะคือกลามภาวะสวะอสวะคือพบและวิช า, าสวะอสวะคืออวิชาแต่ก็ยังมีประเด็นที่พระอาจารย์เห็นว่าควรอธิบายพระอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระตกรฐาจารย์ ที่อธิบายตามในยะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้เพราะว่าในรูปสูตรถึงสังเกตว่าพระเทระไม่ได้แยกระหว่างวิชาทิฏฐิกับสมาธิทิฏฐิเพราะว่าคำถามนั้นเป็นการถามเรื่องสมาธิทิฏฐิ แต่คนก็จะคิดว่าอีกภาคหนึ่งก็เป็นสมาธิธิก็ใช่แต่ครูเปื่อคนที่ยังไม่ได้คิดก็ให้ได้คิดตามไปทัานจึงจำแนกประเด็นของคําว่าสมา ธ, ธิมีความเห็นชอบคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นทั้งดีงามทั้งประเสริฐ ผลสมาธิทิฏจึงใช้ในกรณีที่เป็นกุศลธรรมดังนั้นเวลาท่านอธิบายท่านก็บอกว่าทิฏฐิทั้งดีงามทั้งประเสริฐที่สมาธิิแล้วก็แบ่งโดยประเภทที่เป็นสมาธิินั่นแหละแล้วก็แบ่งออกได้เป็นสองระดับ ระดั เ, เรียกว่าโลกิยะสมาธิคือสมาธทิที่เป็นความเห็นชอบของคนทั่ ว, วไปจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้แต่เมื่อเรานำความเห็นของท่านมาจับกับหลักของธรรมะลงกันสมกันยุติกัน กับธรรมะความเห็นเหล่านั้นก็จัดเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยาแตนนอนคนที่เห็นอย่างนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีอาสวะอยู่แต่ว่าก็เป็นเหตุให้ท่านได้สนานึกถึงความควรไม่ควรที่จะงดเว้นเรื่องอะไรหรือว่า ควรประพฤติปฏิบัติเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นกรรมสกตายานปริชาอย่างรู้การที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนี่ก็เป็นสมาธิธที่หลนะคความเห็นชอบในเรื่องกฎของกรรมนั้นผู้ที่รู้เห็นอย่างสมบูรณ์ก็รู้เห็นด้วยญาณ ก็เรียกทื่ อ, อาอยา่างอาจจะเรียกว่ากรรมวิปากยารก็ได้อาจจะเรียกจตุปปาจารก็ได้อาจจะเรียกที่ประจักษ์สุญญณก็ได้คือสามารถที่จะมองผลที่ปรากฏโยงกลับเข้าไปหาเหตุที่ไม่ปรากฏหรือว่าที่ปรากฏเนี่ย ก็แสดงสาวไปสู่อดีตอนาคตนะหมายความว่าผลยังไม่ปรากฏจะแน่นอนเมื่อถึงโอกาสหนึ่งผลลักษณะอย่างนั้นแหละจะต้ปรากฏเกิดขึ้นทานองคล้ายๆกับเห็นคนปลูกมะพราะ้าวเราก็บอกได้ว่าเขาก็ต่อไปจะได้ผลมะพราะ้าว เมื่ออายุมันเจิญพอสมควรถึงเจ็ดแปดปีในปัจจุบันนั้นแต่พัฒนาความรู้ในเรื่องพืชเอาไว้เยอะอายุการให้ผลก็อาจจะลดสั้นลงแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือผลจะออกเป็นมะพร้าวคือตาโคนถึงปลายนี่เป็นมะพร้าวหมด แล้วผลจะออกมากี่ลูกก็เป็นผลมะพร้าวเป็นการเชื่อมโยงผลกับเหตุหรือเหตุกับผลจะเห็นเฉพาะผลก็ได้เฉพาะเหตุก็ได้แต่ก็เชื่อมโยงกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเชื่อมโยงรายละเอียดเอามากมากเช่นไปเห็นเขาขายมะพร้าวอยู่ในท้องตลาดเป็นกองกอง แล้วก็หยิบขึ้นมาก็บอกว่าผลมะพร้าวต้นนี้มาจากต้นมะพร้าวต้นนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับอันนั้นม่ต้องเป็นความรู้มาก่อนหลักการสำคัญที่ส่งแสดงเอาไว้ก็คือเราทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตน จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นในชุดนี้บางทีก็แสดงไว้หลายหลา ย, หลายระดับด้วยกันบางทีก็แสดงห้าบางบางทีแสดงหบาง แสดงว่ากรรมสกตาสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมวิปัสนาสมาธิิปัญญาเห็นชอบด้วยความเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามความจริงที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วก็ฌานสมาธิปัญญาเห็นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากฌาน เป็นพัฒนาการทางจิตที่เดินไปเส้นทางของสมาธิและถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เห็นถึงความจริงของสิ่งนั้นๆว่าความจริงที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเป็นอย่างไงมัคคสัมาสมาธิทิปัญญาเห็นชอบในมัคคือในเหตุที่จะนำไปสู่ผลต่าง แล้วก็พระสสมาธิคือปัญญาเห็นชอบในผลมาความมาเชื่อมโยงผลกลับไปหาเหตุข้อก่อนก็เชื่อมโยงเหตุไปหาผลได้แล้วก็ปัจเจเวขณะสมาธิปัญญาเห็นชอบในการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงสอบทาน แล้วก็พิจารณาอยู่เสมอเสๆออย่างยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอภินาปัจจเวกขณะคือข้อที่คูวรพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาจนจิตมันสัมพันธ์กับความจริงของสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไร ทรงสอนไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกฎของกรรมอยู่ห้าเรื่องเป็นผลนะฮะเป็นผลของกรรมอยู่ห้าเรื่องความแก่ก็เป็นผลที่มาจากความเกิดความเกิดก็มาจากกรรมความเจ็บก็มาจากเกิดความตายก็มาจากเกิดการพลัดพรากก็มาจากเกิดเกิดก็มาจากกรรม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 โลกิยะสมาชิธิเขาเรียกว่าเป็นสัจญานุโลมิกญาณเป็นปรีชาญานที่เป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดรู้สิ่งนั้นนั้นพเราเจอความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาด ก็มีความรู้ในทันทีทันใดเกิดขึ้นเพราะเราพิจารณาอยู่เสมอแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่สามารถจะร่วงค้นธรรมดาเหล่านี้ไปได้เราโดยสรุปก็คือว่าปัญญาที่ทั้งสิ้นนะฮะที่เนื่องด้วยอาสวะ หมายความเมื่อเราใช้ปัญญาจริงแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่จนเราพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยสีที่เราต้องบริโภคใช้สอยแต่ว่าการบริโภคใช้สอยเอาข้าจริงเนี่ยถ้าเป็นสามัญชนคือไม่เจือกิเลสได้ยากมันก็ต้องเจือกิเลส อย่างเช่นว่าอาหารก็ต้องอร่อยเสื้อผ้าก็ต้องสวยงามเป็นที่พอใจที่อยู่อาศัยก็ต้องใหญ่พอสมควรแล้วก็มั่นคงแข็งแรงสวยงามยาแก้โรคก็ต้องมีคุณภาพดีๆคือหมายความว่ามันมีกามาสว่าเจืออยู่เรายังมีความอยากที่เจืออยู่ ทั้งๆ ท, ที่เราจะอยากหรือไม่อยากทายามันดีมันก็รักษาโรคได้เสื้อผ้าจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็สามารถปกปิดเอา ว, ว้ทยาที่ควรปกปิดได้อาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็สำเร็จประโยชน์ในการบริโภคอาหารได้ซึ่งภาริยะบุคคลทั้งหลายท่านก็เกี่ยวข้องกับปัญญสีแต่ไม่เจือด้วยอาสวะ ก็หมายความว่าสัก์แต่ว่าอาหารศัก์แต่ว่าเครื่องนุ่งหม่มสักแต่ว่าที่อยู่อาศัยสักแต่ว่ายาแก้ไขเราจึงพบพระสูตรบางพระสูตรที่ท่านบอกเล่าถึงพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ริมทางเกวียนนะฮะเราคิดถึงว่าริมทางเกวียนเนี่ยมันก็ครุราอ่ะ แล้วกรดูฝนก็เปื้อนด้วยโครนตรมต่างๆดูแรงก็ต้องเปื้อนด้วยฝุน่นแม้ในช่วงนั้นเกวียนจะไม่ผ่านอยู่กะตามเราพรเจ้าทรงปูผภา พ, พื้นเดียวบรรทมได้แล้วจึงดูแลวคล้ายๆจะทำไต้ยากแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับ คนที่ไม่เจือ้วยกิเลสแต่วิญญาตสมาพนที่ยังมีกิเลสมีมีอาสวาอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เข้าถึงสมาธิที่เป็นโล ก, กุตระหมายความมายกจิตเหนืออารมณ์โลก จิตมันก็มีแต่ว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอารมณ์ทั้งหลายมันก็มีดีไม่ดีอยู่งั้นแหละแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจถึงความดีหรือไม่ดีอร่อยหรือไม่อร่อยสวยหรือไม่สวยก็มองสักแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นตน้นเพราะนี้คือ ปัญญาที่สัมปยุตคือสมาธิภิกขะสมาสังกปะนี่มันเป็นปัญญาสิกขาตอนพวกปัญญาก็คือปัญญาที่สัมปยุตด้วยอริยมรรคอริยผลก็หมายความว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอริยมรรคในองแปดประการพอถึงจุดหนึ่งกิเลสก็ลดลงแล้วก็จนดับ ดับบางส่วนอย่างโสดาปฏิมักเนี่ยก็ดับแค่สามอย่าง ค, ความเห็นชอบในระดับนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกุตระสมาธิิแต่ในที่นี้ท่านจำแนกคนที่มีสมาธิไว้ว่าความจริงไม่เป็นยังไงก็คืออย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราฉลาดอยู่พวกเดียว คนอ่นก็ศึกษาค้นคว้าประพฤตปฏิบัติพัฒนาจิตตัวเองมีความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็เยอะแม้ระดับจะไม่ถึงกันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพระยะบุคคลเนี่ยมันมีได้เฉพาะที่เดินไปตามหลักของอริยมรร คือไม่ปฏิบัติตามหลักคกณียมัค ก, ก็เป็นพระยบุคุทไม่ได้แต่ว่าที่เป็นคนดีๆเป็นเครียวปุถุชนเนี่ยกัญญาณปุถุชนที่ท่านดีๆนี่มีก็มีเยอะท่านเหล่านั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นับถือพุทธนับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือพราหมินดูซิกอะไ ร, ต, ะไรต่างๆก็ได้หรือแม้แต่นักปราชญ์ที่ลดหลั่นลงมา มันก็สามารถที่จะมีความเห็นชอบในเรื่องนั้นๆอีกเป็นอันมากเห็นผวกนักปัญญาหรือว่านักศึกษาหลักของชีวิตสาต์ ท, ที่เกี่ยวกับชีวิตต่างๆก็กล่าวคำคมคมเป็นภาษศิตอะไรไ้เยอะก่อนพุทธกาลก็เยอะในสมัยพุทธกาลก็เยอะ ส่วนความเห็นของท่านเหล่านี้ก็เป็นสมาธิทิด้วยกันสมาธิิมันเกิดขึ้นแก่คนสามประเภทประเภทหนึ่งปุตุชนแต่เป็นคนดีมีปัญญาคุ้มครองตัวเองได้บริหารตัวเองได้รักษาตัวเองได้แล้วก็เสขะบุคคลก็นับ เริ่มจริงๆก็นับจากพระโสดาปฏิมักขึ้นไปแล้วก็พระเสขนั้นก็แน่นอนผู้พระอราหันต์คือยุติการศึกษาหแล้วตั้งนั้นจึงมีอยู่สามประเภทประเภทที่น่าศึกษาน่าสนใจคือระดับพระรยบุคคลนั้นไม่มีปัญหาเราประเภทที่น่าสนใจก็คือประเภทของปุถุชน เพราคนส่วนใหญ่มันก็เป็นผู้ทุชน น, นะนะตั้งแต่ไหนเทไรมาแม้สมัยพระพุทธเจ้าเองก็ผุุ้ชนก็มีอยู่จํานวนมากในจํานวนสามประเภทนั้นแบ่งผุุ้ชนออกเป็นสองประเภทคือพวกนอกพระพุทธศาสนามากกว่ามว่าคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เป็นสมาทิฏฐิบุคคลได้ แล้วก็ศาสนิกชนคือคนในพระพุทธศาสนานี้ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายในจำนวนสองประเภทเนี้ก็เรียกพาหิรั ก, กะบุคคลปุถุชนผู้เป็นกรรมวาทีคือมีความเชื่อในกฎของกรรมอย่างหลักที่ว่าเนี่ย ได้กล่าวโดยสรุปก็คือทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบคือเป็นสมาธิิบุคคลเพราะว่าการเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่โดยความเห็นขั้นสัจจานุโลมมิยาย คือสัจจานุโลมิกิานหมายความว่าความเห็นนั้นมันคล้อยตามหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการอย่างนี้ยอย่างยกตัวอย่างว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดเพราะว่าชีวิตนั้นมันเป็นผลมันเกิดมาจากเหตุคือกิเลสกิกรรม การตัดตอนด้วยการฆ่าตัวเองตายไม่ได้ยุติปัญหาเล ย, เลยแต่ว่าสร้างปัญหาหเพิ่มขึ้นซึ่งก็คนทีฆ่าตัวตายมันก็มีอยู่ทุกศาสนาอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นความเห็นที่ไม่ยุติ้ดยเหตุผลและความดีคือสิ่งที่ควรฆ่าไ ด, ได้ได้ได้อย่างเดียวในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยก็คือฆ่ากิเลส ฆ่าวความชั่วอย่างน้อยกิเลสประเภทหยาบหยาบแรงแรงที่นำไปสู่ปัญหาอยากกรรมต่างๆแต่เราต้องศึกสงครามเนี่ยไอเ น, นี้ยควรจะฆ่าแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าเพราะจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วความตายนั้นเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปทําบาปอะไรการที่คนไปเข็นฆ่าประทุษร้ายกันนะคิดว่าจะยุติปัญหามันไม่ยุติมันเริ่มสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะลุกลามต่อไปอีกเป็นอันมากมันให้ผลคําพกค้ำชัดฆ่าคนอื่นอย่างน้อยที่สุดก็อยู่เป็นทุกข์ก่อนตำรวจจะจับได้นะ ก็อยู่เป็นทุกข์ต้องหลบหลบซ่อนๆนแล้วก็จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเนี่ยไม่สบายใจอยู่ตลอดว่วาระแวงวิตกกังวลเครียดแล้วก็ครอบครัวเองก็พลอยเดือดร้อนตามไปด้วยต้องทอติ้งครอบครัวต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ในที่ต่าง ถ้ามีลูกเล็กๆอยู่มีพัญญากำลังคันอยู่มีคันอยู่พ่อแม่แก่เท้าอยู่เนี่ยเออเรื่องใหญ่เลยสร้างปัญหาแก่ครอบครัวตัวเองเยอะแล้วก็ตายไปแล้วยังต้องได้รับผลที่เกิดขึ้นจากบาปรกรรมเหล่านั้นอีกบางคนที่เชื่อในกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันเป็นพื้นฐาน ก, ก็คือก็ามสามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปอจ่าเว น, นี้เราจะได้ยินคำจะยิ่งคำที่ส่วนมากก็มาทางโลกตะวันตกนะครับก็พยายามวิเคราะห์ในประเด็นที่ว่าสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำว่า สันติภาพหรือว่ายุติธรรมพวกเดียวกันครับถ้าถา ม, ม่าพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ว่าอย่างไงเราลองสังเกตว่าคำมันหรูแต่ว่าคำไม่ได้ใหม่เป็นคำเก่าบางทีเมื่อเกิดจจจิตสำนึกเช่นการ งดเว้นในศีลทั้งสี่ข้อห้าข้อเนี่ยถามมาถ้าคนงดเว้นได้สันดิภาพมันเกิดไหมความยุติธรรมมันเกิดไหมพระดอนภาพมันเกิดไหมแต่เราถึงสมัตภาพสมาภาพความรู้สึกเสมอภาคกันเนี่ยมันเกิดไหมมันก็เกิดอ่ แต่เราก็ลืมนึกบันก่ออน่านกฎหมายคือแปลกในกฎหมายตั้งแต่40มานะฮะแต่และกฎหมายรั่ธรรมนูนตั้งแต่40มาแล้วก็รัฐธรรมนูนช่วงคราวตอน49แล้วก็50เนี่ย ตลอดถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาตอนเข้าปฏิรูปการศึกษากันจนสี่สองไม่มีคำว่าศีลธรรมอยู่ไม่มีคำว่าศีลธรรมอยู่ในเอกสารสามสี่ฉบับแต่มีคำว่าจริยธรรมกับคำว่าคุณธรรม ถามวเสียหายหรือไม่ถ้าว่าลองสังเกตว่าจริยธรรมเนี่ยมันมันวัดผลได้ยากเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกอยู่ข้างในแล้วก็คุณธรรมยิ่งอยู่ข้างในใหญ่เลยคนนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้แกมีจริงหรือเปล่า เราก็ไม่มีมากอะไรไปวัด แ, แต่ถ้าพูดถึงศีลแล้วมันเป็นบทบัญญัติปีเชียหเห็นว่าเขาบอกคนนี้มีคุณธรรมแต่ก็ชอบทะเลาะวิวาทกับคนอื่นชอบรักขโมยชอบยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองก็คนอื่นผู้จาไม่อยู่กับร่องกระรอยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรแต่ไห่นั่นก็แสดงว่าเขาไม่มี ทั้งคุณธรรมทั้งจริยธรรมเพราะเขาไม่มีศีลธรรมการใช้ศีลธรรมเป็นมาตรวัดเนี่ยมันดูได้แต่คุณธรรมเราอย่าลืมว่าสัตว์ดิรัสานเขาก็มีคุณธรรมนะจะน้อยคุณธรรมของพ่อของแม่บางทีก็ของสามีของพันยาในหมูสัตว์บางประเภทมันมีแต่สีนี่สัตว์ไม่มี สีนิสสัตว์ไม่มีเพราะงั้นมันน่าจะเรียกให้มันสัมผัสได้สื่อสารได้บ่งบอกชี้ได้บ่งบอกได้บ่งบอกชี้ประเด็นได้ว่าเนี่ยเป็นอาการเป็นอาการของศีลธรรมจะหมายความว่ามีศีลด้วยแล้วก็มีธรรมด้วย ธรรมก็รวมทั้งคุณธรรมทั้งจริยธรรมนั่นแหละแต่ว่าศีลก็คือศีลศีลมันเป็นบทบัญญตัติเป็นกฎเกณฑ์เป็นมาตรการที่าศาสดาบัญญัติขึ้นหรือว่าในกฎหมายก็รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุม สังคมให้ดำเนินไปอย่างน้อยก็โดยปกติสุขพอสมควรแต่ก็เสียดายนะเราก็อะไรที่เป็นของเราเนี่ยเรามักจะทิ้งแล้วคำในศาสนาอื่นเข้ามาใชา้แสดงถึงความอ่อนแอในด้านจิตสำนึกจิตใจ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขาดสานึกที่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าเราอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงนะ่งะรับผิดชอบเฉพาะฝ่ายนั้นคือคนเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันเกี่ยวข้องโดยตรงก็รับผิดชอบหนักหน่อยที่รับผิดชอบโดยอ้อมก็เบาหน่อยแต่เราก็ต้องรับผิดชอบ แม้แต่จะเดินถนนจะข้ามถนนอะไรแต่เราก็รับผิดชอบเพียงแต่ว่าตอนเราไม่เดินเราไม่ข้ามเราเพ่อให้ต้อรับผิดชอบกันานั้นเองเพราะมันเป็นบทบัญญัติของของศีลก็คือกฎหมายทีนี้ประเด็นตรงนี้เราจะพบว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็น ไม่ใช่ความเห็นขั้นสัจจานุโลมิกยานคือไม่ไม่ได้สอดคล้องกับสมาธิติเสมอไปไม่ใช่ไม่ครอบท้องอริยสัจเสมอไปอย่างยกตัวอย่างว่าเราคิดว่าอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ควรทำ คิดจากฐานของสมุทัยศัสตร์กับมักคสศาสตร์ก็ได้หรือคิดด้วยสามัญสำนึกก็ได้แต่ก็หมายความว่าวันพิธการกระทำความดีเนี่ยเราก็ต้องการรับการยกย่องชื่นชมจากคนทั้งหลายก็แสดงว่ามันเป็นปัญญาจริงแต่ก็มีโลภะเจืออยู่เยอะ ต้องการได้ชื่อเสียงได้เด่นได้ดังได้ดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั้งหลายทีนี้ศสาสนิกปุทุชนเนี่ยก็ชื่อว่ามีมีความเห็นชอบเป็นสมาชิตโดยความเห็นทั้งสองอย่างก็คือกรรมสกตาและก็อนุโลมิกยานหมายความว่าไปสอดคล้องกับหลัก ที่ทรงรู้ด้วยพระญาณมันเกิดขึ้นจากข้างในด้วยแล้วก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสในเรื่องเหล่านั้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังก็เรียกยังลูกครำความเห็นเรื่องอัตตาอยู่หมายความมัายัางละ เป็นสักกายติธินีไม่ได้ทีนี้คนที่ละสักกายทิธิไม่ได้เนี่ยก็คือแสดงว่ายัางเป็นบุทุชนเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเขานับจากละสักกายทิธิได้คือความเห็นเป็นเหนตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนจนถึงกมีการอธิบายขยายรายละเอียดออกไป เช่นว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนเวทนาทัญญาทังขารนิญญาณก็ไปนับอย่างนั้นก็กลายเป็นสักกายทิฐิถึงยี่สิบตักันเพราะฉะนั้นถ้าแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนกเ็เถอะแต่ถ้ายังเยือด้วยอาสวะอยู่ในเรื่องการมรรถูกก็มีผิด แต่ว่าก็มีกิเลสเจืออยู่อย่างมิธีการประจบประแจงมันก็ไม่ใช่เรื่องนี้เมื่อไหรก็ไม่รู้่คนก็ส่วนหนึ่งก็ทําด้วยประจบประแจงต้องการได้หน้าได้ตาได้รับการยกย่องชื่นชมจากบุคคลทั้งหลายทีนี้เสแฉบบุคคลแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นไป ก็ที่จริงก็ถ้านับตามหลักเ ม, เมื่อแยกเป็นสามประเภทยอย่างนี้ก็หมายความว่าพระเสขาก็นับจากพระโสดาบันขึ้นไปมันก็มีเฉพาะพุทธศาสนกนเพราะว่าในศาสนาอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรคผลเป็นพระบุคคลอย่างพระพุทธศาสนา คนเสีขาบุคคลก็มีความเห็นชอบเพราะมีความเห็นชอบที่แน่นอนส่วนพระเสขาบุคคลนั้นก็มีความเห็นชอบเพราะไม่ต้องศึกษาแล้วคือจบละจบภารากิจที่จะต้องศึกษาจะต้องค้นคว้าจะต้องสอบถามจะต้องซักถามอะไรแต่ไรไม่ต้องละแต่ว่าในที่นี้ ที่พระเถราชตอบตอนพระสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าค่อนข้างยากแล้วก็ท่านก็ใช้คําว่าอาริยสาวกทุกที่เมื่ออริยสาวกเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นก็จะเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นเพราะในพระสูตรนี้จึงประสงค์เอาผู้ประกอบโดยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโล ก, กุตระที่แน่นอนที่แน่นอนก็หมายหมายถึงว่า อย่างน้อยๆก็เป็นประสบการณ์ขึ้นไปแล้วก็ในการเป็นพระยาบุคคลที่มาถึงจุดนี้แล้วก็จะนำออกจากทุกข์อย่ามากอย่างช้า ตงเกิดดีก็เจ็ดชาคือคือเปโสดาบันประเภทสตักตุปรมาดังนั้นความเห็นของท่านจึงเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะต่อไปนี่มันนําไปสู่ญาณ น, นะนำไปสู่สัมมาญาณะเพื่อเห็นชอบครบทั้งทั้งแปดข้อในอริยสัจแล้วก็เกิดญาณผุดขึ้นตามเห็นของท่านก็ชอบ เพร น, นั้นพภาษาอิบุตรจึงได้กล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครงแล้วก็มาสู่พระสัทธรรมนี้มาสู่พระสัทธรรมก็คือว่าน้อมนําพระสัทธรรมมาอย่างโอปะนญิโกเนธรรมคุณที่บอกว่าโอปะนญิโกเนคือน้อมนําพระสัทธรรมมาประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงความสมบูรณ์ ในที่สุดทีนี้สัมมาทิชชี่ที่เป็นโลกุตระเป็นความเห็นที่ถูกทรงเพราะไปตามไม่ข้องแวะกับที่สุดทั้งสองอย่างคือตัดขาดจากความโคดงอทุกๆอย่างก็เป็นพะยะบุคคลแล้วนะคือ คือที่จริงก็ศีลสมบูรณ์มาตั้งแต่เป็นโสดาบันแล้วเพราะอาการโคดงอทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาการของคนที่มีความบุกร่องอยู่ในด้านจิตใจคือจิตใจยังอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสแรงผลักดันของกิเลสมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแตนะ่แต่ว่าเป็นเรื่องอาการของกิเลส ทีนี้ที่สุดทั้งสองอย่างวันก่อนก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยถามว่าพระทาความรู้สึกเป็นกลางได้ไหมพอที่จริงเป็นกลางเนี่ยมันหมายความว่าไม่หนักไปในทางทรมานร่างกายกับไม่หนักไปในทางปล่อยกายปล่อยใจให้สวยงาความสุขทางเนื้อหนังกัน คือเป็นกลางระหว่างอัตตกิลิมาธานุโยกกับกามา ส, สุขาลิการนุโยกทีนี้ให้ความรู้สึกเราเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติว่าญาติเราเนี่ยเอาเละญาติาเราทะเลาะกันจนในที่สุดพ่สูดนได้ว่าคนหนึ่งเป็นคนใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือก่อน แล้วจนถึงก็เข้าตายไปแต่ก็ญาติคนหนึ่งก็ เ, เลยถูกติดคุกคนที่ฆ่านะถูกติดคุกตรงนั้นเราทําตัวเป็นกลางได้ปะคนที่ติดคุกเราก็ต้องทําใจเป็นกลางเพราะว่าแกเป็นไปตามกรรมกับแก่ทีนี้คนที่ตายไปเนี่ยเราก็ต้องสงสารครอบครัวแกญาติพี่น้องครอบครัวแกก็ชาติย์ธรรมคนณละข้อล่ะ ญาติที่ทําผิดและติดคุกเราก็อุเบกขาถือว่าเขาเป็นไปตามกรรมเขาแล้วแต่ญาติที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเราก็ต้องกรุณาอย่างน้อยต่อญาติพี่น้องครอบครัวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหัวหน้าครอบครัวตายไปคนหนึ่งก็ยุ่งนะครอบครัวชาวบ้า น, นก็ยุ่งทีเดียว คือบางทีเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เราไม่เคยตั้งข้อสังเกตว่าคําว่าเป็นกลางนะ่ะคืออะไรเอาลูกคนหนึ่งสร้างปัญหาสารพัดลูกคนหนึ่งทําดีสารพัดเนี่ยจะเป็นกลางได้ไงลูกที่ทําดีก็ควรยกย่องส่งเสริมสนับสนุนลูกที่ทําไม่ดีก็ควรจะว่ากล่าวตัเตือนแนะนําสั่งสอนอบรมลงโทษ ไปตามสมควรแก่กรณีคือการกระทำของคนที่เราจะรู้สึกเป็นกลางได้นี่เขาจะต้องไม่มีปัญหาในด้านสินธรรมเ่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าคนเล่าเรียนประสบความสำเร็จเมื่อก่อนเราก็ต้องคอยดูแลช่วยเหลืออะไรเขาตอนนี้เขาเรียนสำเร็จแล้ว จบการศึกษาแล้วทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะเราก็ทำใจกลางๆได้อันนั้นทําใจเป็นกลางได้ทีนี้คนหนึ่งแกแก้วพฤกเก็กมาเรเกเรมาอย่างนั้นพอจนถึงจุดหนึ่งก็ไปปล้นทรัพย์ก่ไปลักทรัพย์ก่อตหรวจจับได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมไปจนศาลตัดสินพิพากษา ไอ้ติดคุกเท่านั้นปีเท่านีป้ปีเราก็เป็นกลางไม่ได้เราจะเห็นว่าคนแรกเราทำใจเป็นกลางได้คนที่สองเนี่ยทำใจเป็นกลางไม่ได้ก็สงสารครอบครัวเขาอย่างน้อยเนี่ยเราก็สงสารครอบครัวเขา แล้วก็เขาบางช่วงเราก็สงสารนะบางช่วงก็อาจจะทําใจอุเบกข า, าเป็นกรรมของเขาแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีคนเกี่ยวข้องอยู่เยอะแคนในยังเพิ่งต้องเพิ่งผ่านสายเขาเมื่อขาดเขาไปเราก็ต้องสงสารคนรอดเขานั้นอาจจะวางใจเป็นกลางได้แต่ว่า ไอ้ความผูกพันฉันญาติเนี่ยยังชั่วดีทีห่างมันก็คือญาติจะน้อยเราก็สงสารไปเยี่ยมไปเย็นไ ป, ม, ไปมีของฝากอะไรต่ อ, อะไรไปให้ตามกำลังความสามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่าไม่ไปซ้าเติมอะไรเขาทางนั้นเองเพราะว่าเขาก็สมควรเกกรรมของเขาแล้วทีนี้ ในเรื่องของส ม, มาธิฏิเนี่ยที่ชีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครอนแคลนคือความเลื่อมใสของคนเราที่เริ่มไม่ครอนแคลนเนี่ยมันเริ่มที่เป็โสดาบันโสดาบันนั้นเป็นโสตาปติยังคะขรเกิประกอบด้วยคุณสมบัติสี่ประการ คือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาก็ความโกรธอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้แสดงครุ่ครามอย่างที่คนทั่วไปก็แสดงเพราะว่าจริงๆความโกรธท่านยังละไม่ได้พระสกทามีก็ยังละไม่ได้ คือความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในโลกุตรธรรมทั้งทั้งประการโลกุตรธรรมทั้ง9ประการก็คือมรษีผลสีนิพพานหนึ่งนะฮะก็รวมแล้วก็9ประการอริยส า, าวกเมื่อคลายความยึดมั่นโดยทิฏฐิทุกอย่างละกิเลสทั้งสิ้นได้ออกไปจากสงสารคือชาติเสร็จสิ้นการปฏิบัติ ท่านเรียกว่ามาสู่พระสัจธรรมหมายความมาตรงนี้มันก็ผ่านทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเบษก็เรียกมาสู่พระสัจธรรมก็กล่าวคือปณิพานนะแล้วก็ยังลงสูอ่อ ม, มะตะธรรมก็คือนิพานนั่นแหละคือตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเส้นทางดำเนินของท่านก็คืออะเดมาร์รเบียงแปประการ ต้องฟังทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนในวันนี้ขอ ย, ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจะมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี